ตอนความสุขที่ไม่มีอยู่จริงวันที่18ตุลาคม2558กาบนมรส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณไมชีกัลยมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆนะ <c oughs> ธรรมะคือธรรมชาติทำทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะ ไม่ต้องเก่งไม่ต้องกดทรงไม่ต้องรักษารูปรักษ์<笑><笑>นะก็วันนี้มีคำถามนะก็เข้าสู่คำถามเลยนะทำใหมคคำแรกก็ทำาไมบอกให้วางใหม่ซะนะทำเลยก็ชอบทำาไมนะทำาไมเพราะครูพูดว่า เพราะครูพูดก็มีคนจับผิดด้วยเนาะกรรมชี้เจตนาไม่ใช่กลับกันเหรือเจตนาชี้กรรมนะคำพูดแค่นี้ก็เอามาถามเนา ะ, นะเราพยายามจะจัดให้มันตรงไวยากรณนะ์ภาษาบ่งบอกนิสัยนี่คือคำตอบภาษาบ่งบอกนิสัย ถ้าเขาไม่พูดออกมาเขาไม่แสดงมาเราจะเห็นเจตนาเขาไหมเห็นไหมถูกแล้วเจตนาชี้ให้รู้ว่ามันเป็นกรรมหรือเปล่าเจตนาดีกลายเป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีกลายเป็นกรรมชั่วแต่ที่นี้เจตนามันอยู่ข้างในเราต้องเห็นการกระทาของเขาก่อนถ้าเขาทาบ่อยๆๆเราก็เห็นเจตนาเขาละ เพราะเจตนาเขาอยู่ข้างในเราไม่เห็นนอกจากจิตเราเออบรรลุถึงเรามองวาลาจิตเขาเนี่ยเราเห็นเขาเขาไม่ได้พูดเราก็เห็นนะเขาคิดเราก็แอบเห็นความคิดเขาแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะที่เ้าบอกภาษาบ่งบอกนิสัยถ้าเ้าไม่พูดออกมาเราก็ไม่เห็นนิสัยเราก็ไม่เห็นเจตนาเขาบางทีเ้าพูดทีหนึ่งก็ยังไม่แน่นะว่าเจตนาเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เขา พูดซ้ำๆทำซ้ำๆนะ่ะเราเริ่มเห็นแล้วว่าที่เขาทำนะ่ะเราเห็นเจตนาเขาเจตนาดีหรือไม่ดีหรือบางคนเพื่อนเรามันออชอบแกล้งนะนะบางคนเขาแกล้งแต่แกล้งเพราะเป็นนิสัยเขาเขาไม่มเีเจตนาตั้งใจแกล้งเนาะแต่ถ้าทำบ่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นแล้วว่าเออเจตนามันเป็นอย่างไรมันทาเพราะ ไม่ได้คิดอะไรหรือว่ามันทำเพราะมันมีเจตนานะแต่คนอื่นไม่รู้แต่จิตเรารู้แล้วว่าเราทำเรื่องด้วยเจตนาอะไรนะเนี่ยเราเราไปพูดคาพูดนี่มันมันโยงกับปัญหละนะเออมันลิงก์กันหมดเหตุคือผลไอ้ผลคือเหตุมันไปอย่างนี้อนะคือ มันไม่มีจุดเริ่มต้น จ, จุดเบื้องปลายอะนะอยู่ที่ว่าตอนนี้ภาษาทั่วทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าภาษาบ่งบอกนิสัยเราต้องเห็นภาษาที่เขาเปล่องออกมาก่อนนะเราจึงเห็นนิสัยเขานะเราต้องเห็นเขาทํากรรมบ่อยๆทำบ่อยๆเราต้องเห็นเจตนาของเขานะอันนี้เป็นภาษาพูดเท่านั้นเอง เ, ออเนี่ยภาษาบ่งบอกนิสัยภาษาไทยเลยนะกิริยาบ่งบอกสกุล การแสดงกิริยาของเขาเนี่ย น, น, นะนะเราเห็นบ่อยๆเราก็เห็นบอกว่าสกุลข้างในเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาบ่งเพาะมาดีหรือไม่ดีเนาะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะไม่เอาเวลามาเหวี่ยงดีไหมเนาะดีกว่าจะไม่รู้ว่าไอ้ภาษาตรงนี้ตรงไหนถูกเลือตัวไหนผิดเนาะเอามาเหวี่ยงดีกว่าพ่อครูบัญชาคะไอ้ น, นี้ยาวหน่อยนะดิฉันเป็น ในวงเล็บตามสมมุติเขาเขาไม่ได้เป็นนะแต่ภาษาบอกว่าเขาเป็นตามสมมุติผู้หญิงตัวเล็กๆที่ตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเองมาตลอดหวังให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่นนะมีงานมีเงินมีคนรักแต่ที่ผ่านมาล้มเหลวหมดเกือบจะเป็นผ้าอหารหันแล้ว สามอย่างที่พูดไม่มีเลยในขณะนี้นะเคยมีแล้วนะในวงเล็บนะเคยมีแล้วจึงเหลือตัวคนเดียวนะอันนี้ในวงเล็บรู้สึกเองเรื่องไย้ที่ผ่านม า, าก็พยายามกดไม่แสดงออก เรื่องดีๆที่ผ่านไปก็พยายามหวนและเลือกถึงทุกวันนี้จะทำอะไรไม่กล้าทำต้องคอยขอให้คนอื่นช่วยคิดเหมือนต้องการคนผิดแทนในวงเล็บถ้าล้มเหลวอีกในใจจึงมีแต่ของเก่าๆที่สะสมไว้ มีโอกาสได้พบเพื่อนที่เดินตามทางพ่อครูค่ะและให้ซีดีไปฟังและเมื่อฟังก็เป็นอะไรที่ยังไม่เข้าใจเลยไม่สนใจออช่วงเพื่อนเพื่อนก็เตรียมตัวเดินทางมาที่ศูนย์นั่นคือเรื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ ถึงเมื่อวานขณะนี้ดีฉันก็ก็ร่วมวงในศูนย์นี้เมื่อต้องการการเพื่อต้องการชี้แนะเพื่อพ้นทุก์จากพ่อครูบัญชาค่ะปัญหาฟัง อ, อ, อยากได้คำตอบนะคะ เคยนั่งสมาธิได้กลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ไทยๆคล้ายพิกุลราชาวดีปริชาติรวมกันแยกไม่ออกแต่หอมมากอยากทราบว่าบอกอะไรคะก็บอกว่ามันหอมไน เคยออกจากสมาธิแล้วเห็นเพชรเป็นพวงพวงผุดออกจากใต้แผ่นกระเบื้องด้วยตาเนื้อหลายครั้งก็ยังเห็นกระพริบตาเห็นแต่รู้สึกแปลกค่ะมีความหมายอะไรหรือไม่คะ อันนี้แสดงว่ายัางไม่ได้เรียนรู้วิชาพลานคอยถ้าเรียนรู้ก็สักแต่ว่าเห็นเรื่องร้ายเรื่องดีที่ผ่านมาถ้าเราสามารถลบได้จะขอลบแต่เรื่องไ ล, ล่ไลเรื่องเสียใจได้ไหมค ะ, <S <S ะคนเราจะเอาแต่เรื่องดีไว้ <c oughs> อันนี้เป็นธรรมชาติของกิเลสนะ มีอาลูกยายซึ่งปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นคอยย้ำพูดให้ได้ยินว่าชาติที่แล้วมีกรรมหนักเขามาตามทวงทำให้กลัวจับใจทุกวันนี้คอยระแวงระวังและโทษเจ้ากรรมในเวรเป็นผู้กระทําทุกครั้งที่เกิดเรื่องทุกใจอยากให้พระครูชี้แนะ ให้หลุดพ้นค่ะการมาปฏิบัติทมที่ศูนย์นี้เป็นครั้งแรกค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะกลับออกไปด้วยจิตที่เข้มแข็งและอยู่กับลมหายใจที่เหลือที่เหลืออะไรว มีความสุขะอะเป็ว่าต้องการมีความสุขนะกาบสาธุโอเคก็เป็นการาสะท้อนให้เห็นความรู้สึกนะอันนี้เป็นสัญชาตญาณปุจุชนทุกคนอะที่เกิดมาในสังคมนี้เนี่ยทุกคนสแสวงหาความสุขนะเพราะครูพูดบ่อยๆว่าความสุขมันไม่มีนะหลายคนก็ไม่รู้ถามว่าความสุขคืออะไร วาดให้ดูหน่อยกนีก่วาดไม่ออกแต่ทุกคนก็ยังสแสวงหามันอยู่เห็นไหมละ่ะเราไปเข้าใจว่าถ้าเราพอใจเราสมหวังนะหวังสิ่งใดได้หมดนั่นคือความสุขนะมันเป็นแค่ความพอใจความสมหวังที่เราหวังนะมันไม่ได้แปลว่าความสุขนะความสุขในโลกนี้ไม่มี ในโลกนี้ไม่มีความเย็นนะที่พระครูพูดบ่อยๆว่าพระอาทิตย์เป็นตัวจ่ายความร้อนไม่มีดาวดวงไหนจ่ายความเย็นที่น้ำแข็งมันเย็นเพราะความร้อนมันน้อยเท่านั้นเองชั้นในชั้นนั้นความสุขไม่มีถ้าความทุกยังมีนะถ้าเอาทุกออกนะในโลกนี้มีทุกมากทุกน้อยเท่านั้นเองวันที่เราทุกน้อยเนี่ยมันก็แสดงความรู้สึกว่า เราทุกน้อยนะ่ะความรู้สึกนั้นรู้สึกเบาสบายนั่นละมันคือความสุขนะมันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นของคู่นะนี่แหละภาษาทําให้เราค่อยเขว่นะเราสแสวงหาสิ่งที่มันไม่มีแล้วก็เราไม่มีวันเจอนะเพราะวันไหนเราได้ดังใจแล้วก็พอใจเราบอก น, นว่าสุขุขุ ทีนี้ชีวิตเรามันจะไม่ได้ดั่งใจตลอดเวลานะพอสุขปุ๊บเขาไปแย่งแย่งสิ่งที่เรารักไปเราก็เลยทุกข์งไงนะทั้งหมดคือเราไม่ได้เข้าใจชีวิตเรานะอันนี้พูดองค์รวมแล้วละ่ะหมายถึงว่ากลายเป็นว่าผิดหวังบ่อยๆนะกลายเป็นคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองละนะขยาดไปหมดนะ จากตัวเองเป็นคนเชื่อมัน่นตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองพอมันหวังอะไรก็ผิดหวังนะเออหวังอยากได้มีคนรักก็ก็ไม่ได้หลังใจนะเมื่อกี้สามอย่างเนาะนะมีงานมีเงินมีคนรักนี่ชัดเจนมากนะนะตั้งแต่สมัยนายกคนหนึ่ง ซึ่งยึดของอำนาจนาพนามพอสมควรท่านก็บอกว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขเห็นไหมเป็นเป็นชุดเลยนะนะถ้ามีงานแล้วก็มีเงินมีเงินแล้วก็ซื้อความ ส, สุขสบาสบสบสบายนั่นคือความสุขเราก็สแสวงหาทุกคนมีงานมากวาดใบไม้ในสูนย์นี่ก็งานละนะมาช่วยกันดูแลเด็กนี่ก็งานละแต่ทีนี้ถ้า ง, งานแบบนั้นมันไม่มีเงินกลายเป็นไม่ใช่งาน เพราะว่าเขาบอกงานคือเงินเงินคืองานมันถึงจะบาดาลสุขได้ทุกอย่างเลยก็ต้องผ่านเป็นเงินก่อนนะถึงจะมีความสุขอันนี้เนี่ยรู้นะเราบอกกันเป็นสมมติบัญญัตินะรู้หมดตามสมมุติเงินก็สมมติงานก็สมมุตินะคนรักก็สมมุติทําไมคนรักสมมุติตัวเราเองก็สมมุติยังไม่ใช่ตัวเราเลยเราจะมีคนรักอะไรที่ไหน แต่เรารักว่าคนที่เราชอบเขานะนั่นคือคนรักเรานะแต่คําว่าถ้าคนนั้นเขาเขารักเราแสดงว่าเขาเป็นคนที่รักเรานะเราไปเข้าใจอย่างนั้นว่าคนที่เราชอบคือคนรักนะทีนี้ พอผิดหวังขึ้นมาคนที่เราลักมาถูกคนอื่นแย่งไปเราก็เลยทุกเห็นไหมเราไปติดกับสมมุตินะมันเป็นสมมุติหมดอ่ะตัวเราก็สมมุติเริ่มต้นจากว่าเราไปหลงว่าตัวเราอาจารย์พุทธทาสพูดพูดแรงหน่อยหนึ่งก็คือว่าตัวกูขนาดพูดแรงนี่ก็ไม่หลุดนะยังกอดตัวกูอยู่เมื่อมีตัวกูก็มีของของกูมีคนรักกูนะเราสร้างสมมติฐานขึ้นมาเอง เห็นไหมแล้วพอเรายึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นคนรักเรานะเขาน่าจะทํากับเราอย่างนี้ถ้ามันไม่ถูกใจเราว่าเขาไม่น่าจะทําอย่างนั้นเลยเราไอ้น่าจะทำเนี่ยเราเอาความรู้สึกเราเป็นที่ตั้งเขาเป็นคนรักเราเขาควรจะซื่อสัตย์กับเราเขาควรจะดูแลเราเขาไม่ควรจะทําอย่างนี้ เห็นไหมเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานพอไม่ได้ดังใจเราก็เลยทุกนะทั้งหมดคือเราสร้างอุปทานขึ้นมาเองนะทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาของวิถีคนโลกแต่มันไม่ใช่วิถีพ้นทุกนะเราไม่สามารถจะรักษาอะไรที่เรารักเราชอบให้มันอยู่ยงคงกระพันแม้กระทั่งตัวเรายังรักษาตัวเองไม่อยู่ ไอ้เจ้าตัวฉันเธอห้ามแก่นะเธอห้ามเจ็บนะเธอห้ามตายเด็ดขาดฉันไม่ชอบไอ้ตัวเรามันยังไม่ฟังเราเลยแล้วคนรักเรามันจะฟังเราได้ยังไงเขารักก็ต่อเมื่อเขาต้องการเราเมื่อเขาเบื่อแล้วเนี่ยเขาจะรักเราทําไมเสียเวลาเขายกแต่อย่างอย่างงี้เนาะเราจะไปสั่งเขาได้ยังไงนะเออหนูอกหักเพราะแฟนไม่รักพราะกูบอกคิดผิดคิดใหม่ได้นะที่เราอกหักเนี่ยไม่ใช่เพราะแฟนไม่รักเป็นเพราะเราไปหลงรักเขา เห็นมมันสว่างไม่ใช่เป็นเพราะพระอาทิตย์ขึ้นมันม <itaire> ืดไม่ใ <h> ช <isses, Station> ่เป็นเพราะอาทิตย์ลงเป็นเพราะโลกมันหมุนเห็นไหมพอเราฟังบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็ชักเคยชินว่าเออมันจริงๆนะมันสว่างเพราะพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงวันนี้พระอาทิตย์ตกกี่โมงฟังบ่อยๆกลายเป็นกิเลสเป็นความเคยชินเราเราก็เอาตัวนี้น่ะเป็นตัวกาหนด พระ อ, อาทิตย์ขึ้นน่าจะสว่างนะนะเออพระอาทิตย์ตกน่าจะน่าจะมืดนะแล้วก็คิดตามที่เรารู้จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงมันเกี่ยวกับโลกมันหมุนมันไม่เกี่ยวกับว่าคนรักเขาจะรักเราหรือเปล่ามันเกี่ยวกับว่าเราไปหลงรักเขาต่างหากทั้งหมดนี่คือตัวเองทั้งหมดนะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยถ้าถามพรอครูนะ ทำยังไงอยากจะออกไปตัวว่างๆเปล่าๆเวียงทิ้งสถานเดียวที่เราปฏิบัติปุ๊บเห็นอารมณ์มาเนี่ยเวียงทิ้งไม่ใช่เวียงอารมณ์นั้นทิ้งนะไม่ใช่เวียงจนะิเลททิ้งเวียงความหลงมันทิ้งเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เรามีกับมันทิ้งนี่คือการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะก็ดี ส, ดสุดวางไม้ก่อนไอ้ไมนี้เนี่ยให้พ่อครูใช้คนเดียว นะพวกเราวางมันซะทำเลยทำอย่างเดียวอ ย, อย่าไม่อย่าทำไมมั่ ห, หาคาตอบนั้นล่ะมันไม่ไปไหนนะวางไม่ซะทำอย่างเดียวนะอย่าทำไมนะพ่อครูคะกรุณาช่วยอธิบายการเกิดกระแสปฏิสมุิบาทที่เกิดขึ้นตามสภาวะที่เกิดที่เกิดจริง ที่ไม่ใช่ทฤษฎีตามที่หนังสือทั่วไปอธิบายครับอ่าก็อยากอยากมีความรู้อยากมีความรู้นะจริงๆแล้วปฏิสมุตบาทเนี่ยก็มันก็เป็นวิชาหนึ่งในพุทธศาสนานะผู้เจ้าแสดงเรื่องนี้เนี่ยเพียงแค่ให้เรารู้ว่าความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันไม่มีไม่แต่หนึ่งอย่างเกิดขึ้นเลยลอยอย่างตัวเราเกิดทั้งนี้เนี่ย อยู่ๆก็เกิดเป็นตัวเราเลยเหรอไม่มันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟกับวิญญาณธาตุเห็นไย ม, มันถึงประกอบกลายเป็นตัวเราขึ้นมาไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างเกิดปุ๊บด้วยตัวมันเองนะอันนี้ผู้เจ้าไปตัดสู้ไปเห็นสิ่งนี้ความจริงตามธรรมชาติทีนี้หลักของปฏิสมุทบาท์ที่พวกครูเห็นที่ผู้เจ้าชีย้ยเห็นก็คือว่าจะเห็นเรื่องความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องของมันนะ ที่เขาพยายามขีดกลมๆนี่แหละสบขั้นตอนนะแต่สาหรับพ่อครนูนะไม่เกี่ยวกับทฤษฎีวิชาการตรงนี้น่ไอปฏิสมุทบาทเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามันเรื่องจากขันห้าขันห้าเกิดขึ้นมาเรื่องจากอายตนะนะาาหกนะน่ะอายตนะเราหอายตนะภายในก็คือตาหูจมกูกดินกายใจนะแล้วก็มีอายตนะภายนอกห รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสไอ้ตัวนี้มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะรูปกระทบทางตานะกระทบทางตาถ้าวิญญาณที่ตาไม่รับกระแสปุ๊บเนี่ยเห็นก็เหมือนไม่เห็นอะไรนะไม่มีผลใช่ไหมล่ะมันทีนี้ไอ้เรื่องพวกนี้อาจารย์พุทธทาสเคยพูดเรื่องปฏิสบูตรบาทว่ามันเป็นวินาทีเดียว12สองขั้นตอน ตอนนั้นก็ถูกโจมตีจากนักวิชาการนะบอกมันเกี่ยวกับเรื่องเวียนว่ายตายเกิดมันมีภพ บ, บีชาติมีชะลามลนะางไงทีนี้ท่านก็อธิบายในเชิงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ภพภูมิอย่างที่เราว่าไม่ใช่ชาติหน้าชาตินี้คือเกิดขึ้นขณะจิตเดียวอันนี้พวกูเข้าใจเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะอาจารย์พระพุธธทธทาท่านพยายามจะ ทำให้พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นตัวจับต้องได้ถ้าไปพูดถึงเรื่องภพชาติอะไรนี่นะเราเราจะไปวิจัยยังไงเราต้องตายต้องอย่าลืมนะเกิดชาติหน้าต้องอย่าลืมไปวิจัยว่ามันเป็นยังไงนะจริงๆแล้วมันพิสูจน์ได้โดยเราเราลึกชาติเราเราลึกชาติเมื่อเราเห็นอดีตชาติแล้วเนี่ยเราเห็นปัจจุบันเราจะเห็นอนาคต เห็นจริงๆแต่ต้องจากว่าคนที่บำเพ็ญเพียรนะแต่คนเขาไปไม่ได้ใ น, ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องอดีตอะไรเนี่ยนะท่านพยายามจะแสดงอาจารย์พุทธาทธาสแสดงปฏิสบุตบาทเนี่ยในลักษณะมันเป็นเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนามันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้สิบสองขั้นตอนเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจไห แต่ที่นี้มันปฏิเสธไม่ได้ไอ้สิสขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นเดียวนี้น่ะไอ้กรรมที่เราสร้างตอนนี้น่ะมันก็ส่งผลทําให้เกิดภพชาติแบบชาติหน้าจริงๆนะปฏิสบุตรบา่านี้ปฏิบ า, บาวงเล็กวงเล็กคือเกิดปัจจุบนันเรียกว่าวิปัสนาลมตอนที่เราจเจริญวิปัสนาเราจะเห็นขั้นตอนนี้เนี่ยในขณะจิตเดียว12ขั้นตอนนะแต่ในขาดเดียวกันเนี่ย กรรมที่มันเกิดขึ้นเราบันทึกไว้แล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้สัญญาตัวนี้มันก็ส่งผลถึงอนาคตชาติจริงๆนะก็เรื่องนี้เนี่ยถกกันมากทฤษฎีไอน์สไตน์ที่ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพก็เป็นส่วนหนึ่งตรงนี้ไอน์สไตน์เปนคนพบว่าความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องของสรรพสิ่งไม่มีทุกอย่างแบต่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นลอยๆด้วยตัวมันเองนะเอาเป็นว่าปฏิสบุตบาทเนี่ย ที่พระ อ, องค์ทรงแสดงในี่ยนัยยะก็คือว่าไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดเห็นความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องแม้กระทั่งสปปรรพสิ่งพลังงานแม้กระทั่งเรื่องกระแสก ร, รมเหมือนกันมันเชื่อมโยงกันหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะแต่สาหรับพวกครูดูเลยนะยกตัวอย่างนะ ปฏิเสบุตรบาทมันเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อขันห้ามันทํางานถ้าขันห้าไม่ทํางานนะเขาด่าเราเสียงด่านี่คือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามปกติรูปนามันเกิดดับมันเกิดปุ๊บเขาเลิกด่ามันก็ดับแต่เราไม่ทันเราไม่เห็นตอนมันดับรูปเกิดปุ๊บกระทบหูกระเทือนใจเวทนาเกิดมันบันทึกสัญญาใหม่ว่ามันด่าเราสัญญาใหม่ไปกระทบสัญญาเก่าที่บอกว่าไม่ชอบถูกด่า มันสปาร์กขึ้นมาได้ไหมสังขารเกิดนะมันก็คิดปรุงแต่งแล้วว่าเธอด่าฉันฉันเสียเปียบไม่ได้ฉันต้องด่าเธอภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยขันหปรุงเรียบร้อยเราก็เราเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่วิญญาณเกิดเราก็ด่ามันไปคืนพอทะเราด่าไปคืนปุ๊บนี่เป็นวจีกรรมมันก็เป็นทึกสัญญามันก็เกียดเรานะมันก็กลายเป็นพยาบาทมันก็จะเล่นงานเราและไอ้ที่เราด่าเขาเนี่ย จิตเราเองก็บันทึกว่าเราด่ามันไม่เป็นกรรมเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้นี่คือขับวนการทำงานของมันทั้งหมดเพียงแต่ว่าเขาขยายผลถึงขันห้าเนี่ยออกเป็นส2องให้มันเห็นขั้นตอนเห็นหมมันอยู่ในปฏิสุบบาทบนน่ะมันมีขันห้ามันมีอย่างนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในปฏิสุบบาทเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนไตรสิกขาไตรสิกขาเนี่ย มีศีลสมาธิปัญญาต่ศึกษาเขาขยายผลเป็นมรคมีองแป8คือถ้าเห็นให้มันขั้นตอนให้มันให้มันละเอียดขึ้นมันไม่มีสูตรอะไรก็เกิดขึ้นลอยลอยหรอกนะปฏิสุบาทเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็มีที่มาของมันนะนั่นะถ้าขันห้าไม่ปรุงปฏิสุบบาทขับเคลื่อนไม่ได้ขันห้ามันเหมือนเป็นฟันเพืองเล็กๆเนี่ยมันเกิดตลอดเวลานะ หขั้นตอนเนี่ยพอฟันเคฟืองขับเคลื่อนก็ฟัดขับเคลื่อนฟันเฟืองของปฏิสุบุตรบาทไปอีกนี่คื อ, ค, อคือการทํางานของร่างกายเรานะเราดับอยสนะภายนอกไม่ได้คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์อย่างเ้าด่าเราเขามีอารมณ์มากระทบเราเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีตามธรรมชาติเราดับมันไม่ได้เราดับมันไม่ได้เรามีหน้าที่ ฝึกจิตเราเนี่ยให้มีสติรู้เท่าทันมันเท่านั้นเองแล้วตัวอย่างเขาด่าเราปุ๊บกระทบหูปุ๊บเรามาเวียงแล้วไงออสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้เห็นเห็นปุ๊บเรายิงเป้าบินยิงปั๊บมันกระทบหูดับไม่กระเทือนใจขันห้าไม่ปรุงปฏิสบุติบาทขับเพื่อนไม่ได้วัตตาสงสารหยุดพบชาติหยุดไม่มีนะเพียงแต่ว่าไอ้ภาษาเหล่านี้เนี่ย อาจารย์ผู้ช่วยพยายามจะชี้แจงเรื่องนี้ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องขนาดจิตเดียวแต่ถ้าพูดอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของวิปัสนาลมเป็นเรื่องอารมณ์วิปปสนาในขณะนั้นแต่เราก็ไม่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในขณะจิตเดียวเนี่ยเมื่อปฏิสัมพัต์มันขับเคลื่อนครบวงจรแล้วมันก็ส่งผลถึงภพชาติได้จริงๆนะอันนี้ภพคือเราสร้างตัวตวนขึ้นมา เราเราสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาตัวตนอันนี้คือเรื่องขณะจิตเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันทึกสัญญานี่ปุ๊บเนี่ยไอ้เชื้อตรงนี้เนี่ยมันขับเคลื่อนเวียนว่ายตายเกิดเลยนะก็รู้คาวๆนะมันเป็นวิชาการนะบังเอิญไอน์สไตน์ก็เป็นคนพบเรื่องนี้แต่ว่าเนื่องจากวิทยาศาสตร์เอาแค่รูปธรรมไปแสวงหาพลังงานอะไรที่จะเหนือกว่าคนอื่นจะเอามาใช้ประโยชน์ เขาก็เลยไม่เอาหลักการทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยไปวิจัยเรื่องนามมาทําด้วยเรื่องจิตวิญญาณเพราะเขาปฏิเสธไม่มีจิตวิญญาณเขาก็เลยวินาทีนั้นทุกคนก็เพราะครูไม่เคยอ่านประวัตินะเห็นเขาว่าไอ้สต่ายก็ศรัทธาคําสอนพระที่เจ้ามากทฤษฎีที่สัมผัสตรงนี้ก็เอาทฤษฎีปฏิสบุตบาทเนี่แหละแต่บังเอิญวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาปฏิเสธเรื่องนามมาทําเขาก็เลยรู้แค่นั้น เห็นความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องของพลังงานของสสารนะเขาจึงเข้าไปไม่ถึงเรื่องจิตวิญญาณอันนี้น่าเสียดายมากถ้าตอนนั้นไอสไตน์พบพระพุทธเจ้าเนี่ยไอสไตน์จะเป็นพระอารหันต์เลยนะนะแต่จริงๆแล้วชีวิตไอสไตน์เนี่ยก่อนจะเสียชีวิตนะเป็นวิกลจลิตเป็นบ้า พบไปเห็นสิ่งหนึ่งที่มันเล็กกว่าอะตอมที่ว่ามันเรียกว่าอนุภาคใตอะตอมนั้นรู้อยู่มันมีอยู่แต่มันไม่มีเครื่องมือจะไปควบคุมคอนโทรลมันไงก็งเลยจมปักอยู่ในความคิดนั้นกลายเป็นคนวิกลจริตนะไอน์สไตน์พบทฤษฎีสัมพัทธ์ด้วยความคิดที่ละเอียดอ่อนแต่ผู้เจ้าเห็นปฏิสมุิบาทเพราะพระ อ, องค์เลิกคิดถ้ายังคิดอยู่มันจะไปเห็นสิ่งนี้ไม่ได้นะ มันคนละชั้นพวกครูตึงบอกว่าไม่ต้องเอาไอสไตน์มาเปรียบเทียบกับผู้ที่เจ้ามันคนละชั้นคนละเรื่องไอสไตน์ยังเป็นบ้าก่อนตายแล้วบางทีต้องเกิดมาใหม่นะนะถ้าเกิดมาระลึกชาติได้ไอสไตน์จะกระอากเลือดด้วยนะทฤษฎีที่เขาเขาไปค้นพบนั่นมันเอามาสร้างอาวุธนิวเคลียร์สร้างอะไรอะไรที่ที่มันจะทํำลายมนุษย์นะไม่ใช่ผู้เจ้าไม่เห็นเรื่องนี้นะ แต่ผู้เจ้าไปเห็นแล้วถ้าสิ่งนั้นมีโทษด้วยพระองค์ไม่แสดงพระองค์ไม่ติดไม่ไม่ถูกความความอยากครอบงําไว้นะก็การแสดงท่าทางออกมาแต่ไม่มีอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆร่วมด้วยเลยหมายความว่าเราได้ล้างอุปทานที่เป็นอารมณ์ได้แล้วแต่ยังล้างอุปทานที่เป็นท่าทาง ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าทางที่แสดงออกมาไม่ใช่อุปทานมันเป็นกิริยานะอุปทานนั้นมันเกี่ยวกับอารมณ์ล้วนๆแต่ทีนี้ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยบอกเราล้างอุปทานได้แล้วเราก็บรรลุธรรมทั้งหมดแล้วเราอาจจะล้างอุปทานในเรื่องนั้นๆได้เป็นเรื่องๆแต่ไม่ใช่ล้างได้ทั้งหมดนะ ภาษาก็ต้องถ้าจะใช้ภาษาก็ต้องพูดให้มันชัดเจนนะนะเอาเป็นว่าเราไล่ลำเราเดินไปเหมือนเมื่อเรานั่งพุโทโธสามสิปีก็พุทธัทน่นนะไม่ใช่เราไปติดพุดทธโธมันไม่ใช่อุปทานเรามันเป็นกิริยาที่เราใช้เทคนิคตรงนี้เนี่ยถ้าพุทธโทเนี่ยคือเจริญสติฝึกสมาธินะมันเป็นกิริยาที่เราไล่ลำอะไรก็ช่างเนี่ยมันเป็นกิริยาของจิตที่ จิตมันใช้อุบายอย่างหนึ่งว่าเฮาให้เรามาไล่ลามซะดีกว่าเราไปคิดดีกว่าเราไปสร้างกรรมนะเราก็สงบนิ่งอยู่กับกิริยานั้นอ่ะคือสะสมแต้มไปไเรื่อยอันนี้เรียกว่ามรคจิตถ้าทําโดยจิตเป็นคนทำเนี่ยไม่ใช่เราสั่งการแต่ถ้าเราฝึกสัมม า, ากรรมฐานยังมีเราสั่งการอยู่ขวาย่างเนอพุโทโธเรียกกระท้ยังมีการกระทําเกิดขึ้นอันนั้นฝึกตัวนั้นแล้เรียกว่าเอาไซน ฝึกทำตัวนั้นเพื่อจิตเราจดจอ่อตรงนั้นเพื่อเราเลิกเลิกไปคิดเมื่อเราวางความคิดเราเราก็รู้สึกว่างเราก็รู้สึกสงบชั่วครู่นะแต่ปัญญามันไม่เกิดแต่ถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตจิตเขาทําเองจิตปัจจุบันไม่ต้องทําอะไรเลยนะดูเขาทําอะไรเฉยแล้วก็อ๋ออ๋อไปเรื่อยๆนะนะีอันนี้คือเป็นกิริยาของจิตเรียกว่ามัคคิจนะกิริยาที่เราแสงออกไม่ใช่อุปท า, าน มันเป็นกิริยาเนอะในบางครั้งเวลาปฏิบัติแล้วปรากฏภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราศรัทธาหรือบุคคลที่เราศรัทธามากๆขอเรียกว่าเป็นความรู้สึกด้านสว่างมันจะมีภาพของความรู้สึกต่ำๆด้านมืดขึ้นมาเปรียบเทียบเสมอควรปฏิบัติอย่างไร กับภาพสภาวะในแบบนั้นเพราะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติต่อไปได้จิตตกรู้สึกผิดและเศร้าสิ่งเหล่านี้ปรากฏมาเพื่อเตือนหรือบอกอะไรหรือไม่อย่างไรคะนะอันนี้ข้อคำถามที่หนึ่งนะคำถามที่สากัถามที่สองวิธีจะทำให้เราหลุดจากสภาวะนั้นด้วยคะ่ะนะ ก็สิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏมาเพื่อเตือนหรือบอกอะไรเราหรือไม่อย่างไรคะเขาทําให้เราเห็นของคู่มีขั้วบวกก็มีขั้วลบนะแล้วก็ดูมันเฉยๆแต่ที่นี้มันทําให้จนเราปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเพาะว่าเรากําลังชอบขั้วบวกเจอแต่เรื่องกุศลไอ้อกุศลมันก็มากวนเราอีกแล้วเนี่ยเราก็เกิดรู้สึกไม่ชอบก็เลยทําให้เราเนี่ยไปกังวล ไม่เป็นหนึ่งเดียวกับการดําเนินขั้วบวกก็เห็นขั้วลบก็เห็นนี่คือวิปัสสนาแล้วเราเห็นของคู่ขั้วบวกก็ไม่ติดขั้วลบก็ไม่ติดแต่ตอนนี้เราไปติดขั้วบวกขั้วบวกก็ชอบชอบแต่พอขั้วลบปุ๊บก็ไม่ชอบไม่ชอบไงมันก็ทําให้เราเห็นเหรอเราล่ะคือแบบนี้นี่แหละเราล่ะก็ดูมันเฉยเฉยนะคําถามแรกก็ถามถามที่สองวิธีจะหลุดจากสภานั้น หลุดมันคือว่าไม่อยากเห็นมันใช่ไหมก็ไม่ต้องปฏิบัติไงใช่ไหมล้วปฏิบัติเพื่อเห็นมันไม่ใช่ไปห น, นีมันคําว่าหลุดออกจากมันเนี่ยหลุดออกจากความยึดมัน่นถือมั่นความหลงในสภาวะนั้นก็เห็นเฉยๆเห็นไหมแล้วจะรู้ทําไมเราจะรู้ว่าทําไมพ่อครูบอกว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยเน้นเรื่องนี้บ่อยๆไงเพราะเราไม่สักแต่ว่าเราเห็นปึ๊บอะไรวะทําไมวะ เห็นไหมชอบถือไม้อยู่เรื่อยไงวางไม้ซักทาไปเรื่อยๆทําแบบไหนทําแบบว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนั่นแหละเดี๋ยวดีเองอารมณ์ดีก็สักแต่ว่ารู้อย่าไปยินดีนะเห็นไหมพอยินดีเห็นแต่เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราเคารพก็มีคนหนึ่งไงเพราะครูพูดบ่อยว่านั่งแล้วอุ๊ยน้ําตาไหลนะไปมองดูให้ไม่เศร้านะยิ้มปิตินะเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาไง อสิ่งศรัทธาไม่กล้าเหวี่ยงพุทธเจ้าทิ้งเเห็นไหมจําว่าจําว่าพ่อครูบอกผู้ใดเห็นธรรมพุทธันเห็นเราตถาคตเราเห็นตถาคตเราแสดงว่าเราเห็นธรรมแล้วเรื่องอะไรจะเหวี่ยงทิ้ง <c oughs> โดนมาหลอกละเราเห็นจริงๆเน่ยเราเห็นนิมิตต่างๆจริงๆแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริง มันเป็นชิ้นจิตเดิมรรบสร้างอุปทานขึ้นมาเขารู้ว่าจิตปัจจุบันนี้ชอบอะไรเกียรต์อะไรกลัวอะไรเขาก็ทํามาสอบอารมณ์เราว่าเวี่ยงทิ้งไหมเรื่องอะไรเวียงพุทธเจ้าทริงออทำมาแทบแย่พระเจ้าไม่ได้มาเล่นขายขนมคบ ก, กับเรานะจําไว้นะแล้วก็ไม่ต้องไปทําบุญไปส่งให้พุทธเจ้านะพระเจ้าไม่ต้องการบุญจิฟจ้อยของเรานะนะ เขาหลอกให้เราทำบุญเพื่อพุทธเจ้าทําเพื่อตัวเองเถอะผูเจ้าท่านไม่ได้เดือดร้อนท่านไม่ได้ขาดอาหาร <c oughs> เนี่ยทำบุญให้พุทธเจ้ากลัวผู้เจ้าไม่ได้ฉันนะ <c oughs> ไปกันใหญ่แล้วนะนั่นละ่ะพระพุทธองค์ตัดไว้เองว่าระหว่างทางที่เราเดินไปเห็นพระองค่าพระองค์ทิ้งเลยเรื่องอะไรค่าพระองค์ทิ้งบาป ทำมาปฏิบัติมาเกือบตายถึงจะเห็นไงเห็นแล้วยังบอกเวี่ยงพุทธเจ้าทิ้งเนี่ยน่นแหะเราโดนตีหัวละเห็นอะไรก็ช่างเราไม่ได้เบี่ยงพุทธเจ้าทิ้งเราไม่ได้เวียเเเว่ยงอารมณ์ดีทิ้งไม่ได้เวี่ยงอารมณ์ลายทิ้งคำว่าเบี่ยงทิ้งคือเตือนเราว่าเวี่ยงความยึดมัน่นถือมั่นที่เราจะเป็นหลงหลงทิ้งเห็นไหมชีวิตเราเหมือนกันที่เราโดนหลอกเพราะอะไรเพราะเรามีความอยากไงถูกหลอกเพราะเราอยากนั่นแหละ ถ้าเขาไม่แต่งสูตรราคาแพงๆขับรถยี่ห้อแพงๆมาเนี่ยมันทำให้เราเชื่อถือแล้วเออมันเนียนมากมันเนียนมั น, ม, นมันหลอกเราไม่ได้ไงชีวิตจริงเราโดนหลอกก็เพราะอย่างนั้นแะเพราะเรามีความอยากอุตส่าห์หนีทางโลกมาแล้วมาเดินถ่ายทมเข้าไปในจิตได้แล้วคิดว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยนะยังเอานิสัยทางโลกมาใช้อยู่ <c oughs> ก็โดนมันหลอกสิศักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นศักแต่ว่าได้ยิน ไม่พิจารณาไม่ตัดสินเรามีหน้าที่ความความสะอาดเราก็ทําความสะอาดอย่างเดียวไม่ต้องไปรู้หรอกมันเปื้อนเพราะอะไรไปวิจัยอยู่ตรงนั้หรอเอาไปเข้าห้องแฝบเม็ดนี้มันเปื้อนเพราะอะไรเออเอยเจอแล้วมันเป็นหมึกนะต่อไปขึ้นป้ายไว้ปุ๊กขึ้นป้ายห้ามเอาหมึกเข้ามาในศาลาพอถูไปอีกเห็นเม็ดนี้เอาไปเข้าห้องแลบอีกเห็นไหมเออมันเกิดจากน้าตาลห้ามมัน้ําตาลเข้ามา มัวแต่วิจัยถามว่าศาลานี้วันนี้มันจะสะอาดหรือเปล่าเพราะความอยากรู้นั่นแหละนะเรามาเวี่ยงความอยากเราทิ้งนะก็ไม่ต้องไปรู้มันนะวิธีแก้ง่ายๆไงวิธีจะทำให้เราดุดจากสภาวะที่ตรงนั้นด้วยล่ะทำยังไงก็อย่าไปติดสภาวะนั้นไงก็แค่นั้นอย่าไปติดมันเท่านั้นเอง แต่จะไปหนีมันก็อยู่กับมันบางคนเขาป่าเนี่ยไปนั่งกรรมาฐานสบายสบายไม่ต้องไปกระทบกระทั่งใครไม่ต้องสร้างกรรมเลยนะเห็นไหมเราไปหนีความจริงนะพอออกมามาเจอเสียงดังๆในวียนเลยเราก็อยู่กับมันนะ่ะอยู่กับสภาวะ น, นั่นแหละก็เราปฏิบัติเพื่อให้เราเห็นสภาวะนี้ไงเราเป็นนักกีฬายิงเป้าบินถามว่าไม่มีเป้าเราจะยิงลมเหรอ มันก็ต้องมีเป้าก็ต้องยิงไงถ้าไม่มีเป้าเราจะรู้เลยว่าเราเรายิงถูกหรือเปล่าใช่ไหมนี่คำว่าหลุดจากสภาวะนั้นไม่ใช่หนีมันถ้าหนีมันง่ายที่สุดเขาไม่ต้องปฏิบัติไงก็อยู่ข้างนอกไม่ต้องไปเห็นมันใช่เราเข้าไปเพื่อจะใช้สภาวะนั้นน่ะเป็นอุปกรณ์ในการประเมินความเร็วของเราช่วงนานาจิตตังเมื่อเข้าจิตได้และเข้าไปรับรู้อาการต่าง พยายามกลับมาสู่ความว่างหลังจากที่ตามอาการที่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากอาการที่รับรู้เป็นอาการที่สนุกสนานตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะลํำเซิ้งดีดหายกระติบหลายแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งไ้เก็กฝึกลมปานหรือแม้แต่เป็นนักดนตรีสีไวโอลินตีกองเล่นเบส เล่นเบดอิเล็กตรอนฟุตทมเป็ดกูจ้งอันนี้สากลจริงๆเนอะจนกระทั่งเป็นดาราอย่างมาริดินมอนโลโอหรือนางแบบอันนี้ไงสากลเลยนะแค่เล่ายังสนุกเลยค่ะขอเข้าคำถามนะคะ การรับรู้อาการอย่างมีสติและมีความรู้สึกสนุกไปด้วยบ้างไม่ได้ยึดติดนะคะสามารถปล่อยและอาการเปลี่ยนไปเรื่อยๆถือว่าปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไหมคะเพราะมีรู้และร่วมสนุกบ้างคำพูดนี้ก็เป็นของคู่ละ มีถูกต้องกับมีผิดนะไม่มีถูกไม่มีผิดนะถ้ารู้น่ยไม่ผิดนะรู้ว่ามันสนุกก็รู้นะสนุกไม่ปฏิเสธนะมันสุขก็ไม่ปฏิเสธนะสำคัญให้รู้รู้รู้รู้รู้เดี๋ยวละวันไหนเราก็รู้หรอกเพราะกาลังสนุกอยู่มีบางคนเขากําลังเวียงปุ๊บเวียงตีหัวปกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเออหลังจากสนุกแล้วมันเจอตรงนั้นมันยังสนุกต่อหรือเปล่า อะไรก็ช่างรู้มันความสนุกนั้นอารมณ์สนุกนั้นก็เป็นเป็นอุปกรณ์ในการดําเนินเหมือนกันเราก็ได้เรียนรู้กับความสนุกเออมันสนุกมันก็เบิกบานนะก็มันดีแล้วชีวิตจริงทำไมทําให้ตัวเองทุกข์ล่ะก็เห็นว่าความสนุกความเบิกบานมันเป็นความรู้สึกดีแต่ชีวิตเราก็ทําให้มันเป็นอย่างนั้นสิ ให้มันเบิกบานตลอดเวลาแล้วทอนไปหาเรื่องทําให้ตัวเองทุกบ่อยๆนี่นะทำไปเรื่อยๆเองเดี๋ยวจิตมันจะเกิดปัญญาโดยไม่ต้องผ่านการนึกคิดมันจะไปสัมผัสอารมณ์สนุกมันคงไม่เต้นลามอย่างนี้แล้วก็สุกอย่างนี้ตลอดเวลาหรอกเดี๋ยวมันอารมณ์มันก็เปลี่ยนแล้วก็เห็นว่าไอ้ความสนุกนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายมันไม่เที่ยงเพียงแต่ว่าบางทีมันใช้เวลายาวสั้นเนี่ยแล้วแต่กรรมตรงนั้นน่ะมันมากน้อยแค่ไหน แต่บางครั้งมันไม่ใช่กรรมนะมันเป็นช่วงจิตเนี่ยใช้อุบายที่ทําให้จิตจิตอดีตเนี่ยทำเป็นอุบายใช้ให้จิตปัจจุบันมีเหมือนมีงานทํามีหน้าที่เพื่เพลินกับตรงนั้นเพื่อเลิกสร้างมโนกรรมมันก็เป็นการสะสมแต้มโดยที่เราไม่ต้องมานั่งฝึกออจับลมหายใจแล้วก็ใช้พลังสมาธิกดมันให้มันเข้าไปอยู่ในฌานเพื่อหนีความวุ่นวายนะอันนี้เสียงดังๆเราเราก็ไม่วุ่นวายเห็น้หมเราก็สง บ, บกับสิ่งที่ดําังดเนินอยู่ นะความสดุกสนานก็เป็นอารมณ์หนึ่งนะรูปนามไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวกับรูปนามอารมณ์นั้นอารมณ์สนุกสนานอารมณ์โกรธอารมณ์พอใจไม่พอใจก็เป็นนามแล้วก็รูปเราก็เคลื่อนไหวเราก็เห็นอะรูปนามเห็นทั้งหมดมันมันเป็นอย่างนี้นะนี่แหละผู้เจ้าสอนให้เราเห็นทั้งรูปทั้งนามวิทยาศาสตร์เอาแต่เรื่องรูปธรรมอันไหนที่เครื่องมือควบคุมไม่ได้ปฏิเสธหมดเรา ถ้าเราเนี่ยเรียนรู้เนี่ยชีวิตนี่เราเรียนรู้ครึ่งเดียวไงและไอ้ครึ่งที่สําคัญจนหดชีวิตเราไม่เอาเห็นไหมความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ดีใจเสียใจอะไรมันเป็นเรื่องของนามมาทําหมดแต่เราปฏิเสธเรื่องนี้เราถึงแก้ปัญหาชีวิตเราไม่ได้มีอยู่คืนหนึ่งหลังจากโยคะเสร็จแล้ว ใจก็บอกกับตัวเองว่าต้องนอนพักผ่อนนะโดยนอนสมาธิท้องยุบหายใจเข้าพองจู่จูก็จะเห็นภาพเหมือนคนฉายหนังให้ดูเป็นเรื่องที่เราเจอสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งก็น่ากลัวบางครั้งก็น่าสงสัยว่าที่ไหนอะไรมันจะเข้ามาเป็นเรื่องเรื่องไม่ยาวเป็นเรื่องเรื่อง ไม่ยาวเป็นเรื่องเป็นราวบางครั้งก็เห็นตัวเองอยู่ในนั้นจะว่าฝันก็ไม่เชิงเพราะเวลาเรื่องที่เป็นเราก็ยังได้ยินเสียงภายในห้องและนอกห้องเช่นเสียงพัดลมและเสียงจิ้งหรีดลองสุดท้ายนี้ลูกขอกราบขอบพระคุณพระลรหันของลูกที่ทำให้ลูกได้รู้ได้ตื่น ภายในช่วงเวลาที่ไม่นานที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่และได้เห็นพาระลาหันที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความเคารพและนับถือโอเคไม่ต้องบอกชื่อก็แล้วกันเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปมันจะออกย t ท b e ไปข้างนอกเนาะก็มันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งนะที่เราเห็นนิมิตอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เห็นจริงเราเห็นจริงๆนั่นะ แต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยอย่าไปหาคําตอบว่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าถามว่าครูมันไม่จริงสักอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องอดีตของเราเนี่ยอดีตเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะแต่มันก็ผ่านไปแล้วไงมันเป็นอนัตตาไปแล้วนะแม้กระทั่งปัจจุบันนี่ตัวเรานี่แล้วก็ว่าตัวเรานั่งอยู่นี่จริงๆไงมันก็ยังไม่จริงเนะเห็นไหมไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างจริงก็แล้วกันมันเป็นสิ่งสมมติชั่วคราวทั้งหมด ความจริงอย่างเดียวก็คือจิตเรานั่นแหละน ะ, ะมันเป็นไปตามกระแสกรรมที่มันบันทึกไว้ในนั้นนะมันต้องไปเวียนว่ายตายเกิดมันอยู่ในร่างผู้หญิงก็ได้ร่างผู้ชายก็ได้ร่างสัตว์ดนเลฉานก็ได้จิตจริงๆมันไม่มีเพศเนาะแต่มันไปอยู่ในร่างนั้นตามกระแสกรรมที่มันสร้างพระชาตินี้เราเป็นผู้ชายเจ้าชู้รังแกผู้หญิงบ่อยๆนะมันจะให้เราเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ถูกหลอกถูกรังแกด้วย เราต้องรับกรรมตรงนั้นนะเอาตัวเราไปเผาเห็นไหมมันไม่จริงมันหายไปไหนมันกลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินละ่ะเราหายไปไหนแต่ไอสิ่งที่มันเผาไม่ได้นะคือจิตวิญญาณกระแสะกรรมที่บันทึกในนั้นธรรมชาติบอกอย่าค้ากำไรเกินคนคิดว่าจะหนีนี่เหรอคิดว่าเผาแล้วจบเลยไม่อันนั้นเป็นความจริงอย่างเดียวที่อยู่ในตัวเรานะ ทีนี้กระแสกรรมตอนนั้นน่ะยกตัวอย่างว่าถ้าเราไม่ฝึกนะวินาทีที่เราจะขาดใจตายนะเพราะครูสัมผัสหลายคนเลยหลายปีที่ผ่านมาไอคนเขามีอาชีพเป็นเพชฌฆาตเชือดหมูทุกวันพอเขาจะตายเขาร้องเสียงหมูอขึ้นมาเลยภาพนั้นมันจะไหลามาไหลามาชีวิตนี้ทําอะไรบ้างเนี่ยมันจะรับวิบากตอนนั้นมันจะทุกข์น่ยแล้วถ้ามันตายตอนนั้นล่ะคือนรกสมบัติ วินาทีสุดท้ายจึงสําคัญมากถ้าเราไม่ฝึกเรามาล้างมันออกก่อนนะพอเราจะขาดใจแล้วนะ่ะภาพมันไหลออกมาหมดที่เราเคยทํามาหมดนะเหมือนเราต้องเสพกรรมตัวนั้นนะก็อย่าประมาทเรามีร่างกายแข็งแรงยังมีโอกาสอยู่ก็มาจ่ายมันก่อนมาเรียนรู้ ก, กับมันนี่แหละช่วงที่เราปฏิบัติเยอะๆเนี่ยมันจะไหลออกมาเป็นนิมิตเนี่ยคือมันกําลังรีลีสออกมาใช่ไหม พอมันลิลิธเรื่องกุศลพุดบเรารู้สึกมีความสุขพอมันเอาเรื่องไม่อกุศลมาก็รู้สึกกลัวงหงุดหงิดนั่นนะ่ะนั่นเป็นขบวนการยอมรับสิ่งที่เราทำส่วนบางศาสนาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเขาก็เข้าไปในโบสถ์นะแล้วก็ไปสารภาพบาปอันนั้นเขาได้ผ่อนคลายตัวหยบหยาเท่านั้นเองได้สบายใจไงแต่กระแสกรรมมันยังอยู่นะมันยังอยู่นะที่เรามาเวียงตรงนี้น่ะ เราไปรับอารมณ์นั้นเหมือนจริงเลยนะอ้เจ็บปวดสามสี่วันเดินไม่ได้อะไรเนี่ยนะนะไปให้หมอเอกซเรย์ไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นธรรมอรมณ์ที่พระครูเรียกว่าธรรมอรมณ์ธรรมอ ร, รมณ์นะคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เขาจับเขาจับไม่ได้มันคืออะไร ม, มันไม่ใช้เอกซเรย์ไม่ได้เครื่องมือแล้วก็จับมันไม่ได้นะเราทำไปเรื่อยๆรืเราจะรู้เองว่าอะไรที่เรียกว่าธรรมอรมณมันเป็นอารมณ์ทางธรรมะ นะมันมันมันขนาดนี้เลยนะถ้าอารมณ์เราเวลานี้มันส่งผลนึงกายภาพนะเ ค, เคยเล่าให้ฟังว่าหลายปีก่อนมีญาติธรรมผู้หญิงคนหนึ่งนะเ อ, อมากับแม่แล้วตอนนั้นมีกิจกรรมอะไรไม่รู้ก็มาม า, มาพวกเขาชวนกันมากาง ก, างกางกดนอนกันในศาลาตีสองเขาลุกขึ้นมาเขาเป็น ผีกระสือจะไปบีบคอแม่เขาแม่ร้องร่นเลยเลือดนี่ไหลออกมาทางตาทางปากนี่จริงๆนตอนนั้นปุ๊กอยู่ น, นอนอยู่ด้วยมันโทรไปหาหนัมาวมากางดึกนะ <c oughs> ดคือคืออารมณ์เราเวลานั้นน่ะมันเหมือนจริงเลยล่ะออกมาทางกายภาพมันเป็นธรรมอารมณ์เท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปหาหมอ หมอเขารักษาตามอาการนะเขาก็รักษาปวดหัวแล้วเอากินยาฉีดยาแล้วระงับประสาทไม่ให้มันรับซื้อรู้สึกตัว น, นั้นเองนะเราไม่ได้หายจริงๆนะแต่เขารักษาตาม น, นั้นอันนี้คืออันนั้นคือเราหนีนี่ชีวิตเราไม่ยอมให้ตัวเองเจ็บปวดหรอกเพราะว่าทรมานจะไม่เอาปวดหัวกินยาพาราแรงๆไม่อยู่ฉีดยาเราหนีนี่ตลอดเราไม่เห็นทุกเราจึงไม่เห็นธรรม แต่พอเรามาปฏิบัติแนวนี้เนะี่ยมันจะทําให้เราเห็นเลยนะทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกบ่อยๆเราเห็นทำแล้วเรามีทุกเป็นประธานแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตนี่เราทําไม่ได้เราไม่ชอบทุกนะเราก็สู้อารมณ์นั้นไม่ได้เราก็หนีมันอะีกนะนี่คือกระบวนการที่ยอมรับความจริง ทำไมปฏิบัติแล้วรู้สึกไม่อยากใช้ความคิดเลยไม่อยากร่วมกิจกรรมกับคนหมู่มากรู้สึกอึดอัดอันนี้ข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่สองเวลาทำงานที่ใช้ความคิดบางครั้งจะผัดวันไปเรื่อยๆถ้าไม่ถึงเดทไลน์ก็จะคิดไม่ออกเลยแต่ถึง เวลาฉุกเฉินก็ทำได้เวลาทำงานก็ต้องเจอคนมากๆอันนี้ข้อสามนะกลับมาเจ็บเพรียและปวดเมื่อยเหนื่อยกว่าปกติบางครั้งปวดทั้งตัวเหมือนไม่สบายก็ข้อที่หนึ่งนะทำไมปฏิบัติแล้วรู้สึกไม่อยากใช้ความคิดเลย ไม่อยากร่วมกิจกรรมกับคนหมู่มากรู้สึกอึดอัดนะข้อนี้สำเร็จสองวิชาแล้วคือหนึ่งกำลังจะสิ้นคิดสองกำลังจะเพียนนะเพียนจากความเป็นปกติที่เราอยู่กับเพื่อนนะเพราะจิตมันเกิดมีปัญญาแล้วเนี่ย มันเห็นว่าความคิดนี่ไร้สาระความคิดเป็นบ่อเกิดแห่งความเครียดมันก็เลยไม่ต้องคิดบางคนปฏิบัติแล้วบอกว่าพ่อครูทำไมมันขี้ลืมจังเลยมันไม่ได้ลืมแต่มันไม่จำมันจะไปจำให้เป็นขยะทำไมแล้วก็ต้องเสียเวลามาเหวี่ยงทิ้งอีกอันนี้เป็นปกตินะแต่ช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเราต้องระวังเพราะว่าเรายังอยู่ในสังคมอยู่นะ เราต้องข้ามพ้นชอบไม่ชอบให้ได้นะแต่ทีนี้ถ้าจิตมันเลือกได้มันมันไม่อยากคิดนะครูพลรานคอยของเราเนี่ยเขาเคยบอกว่าจะทำอะไรสั่งมาเลยทำให้หมดอย่าให้เขาคิดได้ไหม <c oughs> กลายเป็นคนสิ้นคิดหมดแล้ว <c oughs> คิดนี่เหนื่อยมาก <c oughs> คิดเพราะเรามีความอยากเมื่อความอยากมันลดลงแล้วมันเหนื่อยที่จะคิดนะ ข้อที่สองเวลาทำงานที่ใช้ความคิดบางครั้งจะผัดวันประกันผูมิก <c oughs> ็มันเหนื่อยที่จะคิดนะันเป็นธรรมชาติของมันวิชาสิ้นคิดกำลังจะสำเร็จแล้ว <c oughs> นะต่อไปเนี่ยพอมันสิ้นคิดแล้วเนี่ยเริ่มจากมันเพี้ยนก่อน <c oughs> พฤติกรรมเราไม่เหมือนเดิมละสมัยก่อนชอบเพื่อนสนุกสนานอะไรเฮฮาชวนกินเหล้าก็ชนแก้วกันหมดนะ พอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันชักจะไม่กินแล้วมันเพี้ยนจากสายตาเพื่อนไอ้นี่เพี้ยนละสงสัยเป็นบ้าหรือเปล่าเพี้ยนจากสายตาเขาแล้วเห็นไหมแล้วก็วิชาที่สองเนี่ยมันไม่กังวลอะไรไม่มีเหตุต้องคิดถึงเวลามันก็ทําชีวิตเราตอนนี้เนี่ยกังวลมากย้ำคิดย้ำทํามันกลัวไปหมดไงเห็นไหมตัดสินใจไปแล้วยังมาคิดอีกเอ๊ะฉันฉันคิดถูกหรือเปล่า สั่งเขาไปเธอไปเลยนะสั่งลูกร้องมึงไปเลยนะมึงไปงของไปส่งไปทางนี้ น, นี่ปุ๊บสั่งเสร็จแล้วมันนั่งเอ๊ะเราเราคิดถูกหรือเปล่าให้มันไปทางนั้นเนี่ยเนี่ยย้ำคิดย้ำทำคิดยังไงมันก็ไปแล้วไงชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้ไปเสียเวลากับไอ้เรื่องเรื่องกังวลเรื่องเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องคิดกังวล น, นี้มากมายนะแต่เราว่ า, าปฏิบัติแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันค่อยๆจิตมันจะฉลาดขึ้นมันไม่ง่ที่จะเสียเวลา มันจะเป็นธรรมชาตินะมันไม่ใช่เรื่องความไม่ปกติที่เกิดขึ้นคือความปกติกับสิ่งที่เราทำถ้าทำได้นั่งสบายสงบเฉยเฉเนี่ยแสดงว่าไม่ได้อะไรเลยมันต้องเปลี่ยนที่ปฏิบัติแล้วเราต้องเปลี่ยนที่ก็เรารู้ว่าเป็นคนเก่าเนี่ยถึงจะสนุกจานก็ช่างเราทุกทุกเน่ยแน่นอนเราจึงวิ่งมาหาสแสวงทาพ้นทุก ว่กระบวนการปฏิบัติมันก็กําลังปรับอยู่ปรับใหม่มันต้องมีอะไรใหม่ใช่ไหมถ้าเรายังเหมือนเก่านี่แสดงว่าเราปฏิบัติเสียเวลานะอันนี้เริ่มเห็นลางๆเลยนะวิชาสิ้นคิดกําลังจะสำเร็จแล้ววิชาเพี้ยนนี่ก็เห็นชัดเจนแล้วสมัยก่อนนี่อยู่บ้านคนเดียวเงาเหงาไม่มีแล้วก็โทรหาเพื่อนชวนเพิ่นไปเที่ยวแต่ตอนนี้เห็นหน้ามันชักเบื่อแล้วเห็นไหมร่างกายเป็นเพี้ยนอีกวิชานี้ก็กําลังจะสำเร็จแล้ว นะเวลาทำงานต้องเจอคนมากๆกลับมาเพลียปวดเมื่อยเนี่ยคือเราอินทร์ศระละไม่แก่ก้าเราดูธรรมลมเข้ามาคำว่าธรรมลมยกตัวอย่างนะถ้าเรานั่งดูละครที่เขาแสดงตลก เราก็เปิดจิตไปอินอยู่กับมันเราก็จะตลกกับมันอารมณ์ตลกพข้ า, าแหละถ้าเราไปดูภาพยนตร์เขาโศกเศร้าถ้าเราเปิดจิตอินกับมันเราก็จะเศร้ากับมันเราไม่สักแต่ว่าเห็นนั่นแหละเราเผลอดูดอารมณ์เข้ามานี่เหนื่อยมากเพียโดยเฉพาะขึ้นมนุษย์ใหม่ๆเป็นอย่างนี้แหละแล้วต่อไปมันก็ฉลาดขึ้นไงต่อไปมันก็ สักจะวรู้สักแต่ว่าเห็นไม่เผอเรออย่างยิ่งแต่ถ้าเราต้องเราต้องเจอสภาวะนี้ก่อนเราจะได้เข็ดจะได้หลับแต่สภาวะนี้เกิดขึ้นระดับหนึ่งแต่กิเลสเราก็มีไงนะให้มันพูดอะไรเงี้ยหูฟังหน่อยหนึ่งเงี้ยหูฟังปุ๊บเข้ามาแล้วใช่ไหมเอ๊ะเขามุงดูอะไรเนี่ยดูสักหน่อยหนึ่งเข้ามาแล้วเขาเรียกว่าทำมาลมเข้าทําให้เรารู้สึกเราทํางานหนักเลยนะ เพียรมากเลยเพอ ร, รับอารมณ์ตรงนั้นอันนี้เรียกว่าทํามอารมณ์มันเข้านะก็อย่าท้อถอยเดินต่อไปวิชาเพียรเกิดขึ้นแล้ววิชาสิ้นคิดเกิดขึ้นแล้วต่อไปวิชาไม่มีอนาคตจะเกิดขึ้นมันไม่มีอนาคตมันอยู่ปัจจุบันแหะทําหน้าที่อย่างมีความสุขไม่ต้องคิดถึงอนาคตนะแล้วก็อย่าหยุดเดินนะวิชาสุดท้ายนี่ ถ้าเราถึงนะเราจะไม่มีวันผุดวันเกิดมีแต่น่ากลัวทั้งนั้นแหละนะยังไม่สายนะถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยหยุดซะอย่าปฏิบัติถ้ากลัวเพี้ยนกลัวเป็นคนสิ้นคิดกลัวไม่มีอนาคตกลัวจะไม่มีวันผุดวันเกิดก็อย่างเดียวก็คืออย่าปฏิบัติไปซิ่งต่อนะเบื่อมาก็อาศัยวิธีไปเที่ยวเต่ให้มันความสนุกสนานมากบเกิดความเบื่อ ปวดหัวมาก็กินยาพารานะถ้ารักชอบอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นมาอยู่แล้วตลอดชีวิตใช่มมันจะกลับกันกับสิ่งที่กิเลสเราคุ้นเคยเลยล่ะแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมไมทร้ายกิเลสเหล่านี้เราก็ไม่พ้นทุกข์ไงนะขอถามคือเวลานอนแล้วเบี่ยงเองนี่คือ หายใจเข้าออกไม่ยาวพอใช่ไหมคะ <c oughs> คือเราไปคุ้นเคยว่าเวลาเราเหวี่ยงแล้วเนี่ยพอเราจะหยุดเราก็บอกหายใจเข้าลึกๆกดมันไว้นะ <c oughs> แล้วก็ปล่อยออกมามันควรละเรื่องพอจิตเรามันแก่กล้ามันหมุนแล้วเนี่ยมันไม่อยากหยุดหรอกเรานอนหลับร่างกายเราหลับมันก็ตื่นมันทำงานตลอดเวลามันเป็นเรื่องสภาวะปกตินะ อาบน้าอยู่มันก็หมุนกินข้าวมันก็หมุนนั่นแหละนะไอแรงหมุนนี่มันเป็นแรงเตือนสติเราตลอดเวลาคือมันตื่นตลอดนะถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเขาด่ามาปุ๊บมันเบี่ยงออกมันมีตัว protection มันมีเกราะป้องกันภัยนะมันมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งของจิตนี่มันหมุนตลอดนะแต่ที่นี้ไม่ใช่ว่า เวลาเราเบี่ยงเข้าไปไล่ลามเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมันไม่หมุนไม่ใช่มันหมุนอยู่มันหมุนอยู่มันหมุนอยู่ตลอดแล้วมันก็ทํากิริยาตอนนั้นนะไม่ใช่มานั่งหมุนอย่างนี้อย่างเดียวนะไอ้นั่งหมุนอย่างนี้ก็เป็นท่าที่เรานั่งหมุนเพื่อเพื่อสตาร์ทเครื่องให้มันติดใช่ไหมล่ะตอนนี้เราติดแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเป็นน้องไปนั่งสตาร์ทโอเคนั่งมันก็หมุนเองพอเราล่างกายหมุนไปด้วยมันก็ได้ขับเคลื่อนเลือดลมไหลเวียนใช่ไหมมันก็ทําให้กายเนี่ย ไม่ไปดึงจิตไว้กายได้ผ่อนคลายเป็นเครื่องมือของจิตเท่านั้นเองนะก็ข้อสุดท้ายนะที่เรานับถือพุทธศาสนาเพื่ออะไรโอเคดีเกิดมาปุ๊บคนที่รักเราที่สุดก็ตั้งชื่อเธอชื่อบัญชานะลูก พพ่อแม่เรียกแล้วมีความสุขนะแล้วก็ไม่ได้ถามเราหรอกตอนนั้นถามเราเราก็พูดไม่เป็นนะแถมศาสนามาด้วยนะลูกเพราพ่อแม่ว่าศาสนาพุทธมันดีนะลูกนะก็เขียนลงในใบเกิดในในทะเบียนบ้านเราพุทธอีกนะลเราก็นับถือศาสนาพุทธโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไร ตอนนี้เริ่มเริ่มจะเอะใจแล้ว ม, มาถามว่าเออเราถูกให้นับถือาศาสนาพุทธเพื่ออะไรดีแล้วแค่นี้ไม่พอนะแล้วก็เราถามตัวเองด้วยว่าเราเป็นใครเริ่มจากเราเป็นใครก่อนที่เขาให้เราชื่อว่าบัญชาเนี่ยเราเป็นใครกันแน่แล้วก็แถมให้าศาสนามาอีกบางคนเธอต้องพุทธนะเธออิสลามนะเธอคิดนะนะโดย เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ อ, ย อ, ยอย่าว่าแต่เราไม่รู้ว่ า, าศาสนามันคืออะไรนะไอตัวเราเองเป็นใครเราก็ยังไม่รู้ด้วยเห็น ไ, ไหมพอเราเริ่มอยู่ในวัยนั่นแหละเขาบอกไปเขาส่งให้เราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตอีกเห็น ไ, ไหมเราเลยกลายเป็นสิ่งที่สังคมอยากให้เราเป็นเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นใครเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนนะ แล้วตอนนี้ก็กำลังตั้งคำถามว่าแล้วเออแล้วเรานับถือพุทธศาสนาเพื่ออะไรนะเอาไปว่าอย่าเป็นพุทธนะทุกศาสนาน่นแหละเ็าตั้งขึ้นมาทำไมธรรมชาติจริงๆไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์นี่แค่3าพันปีเท่านี้เองนะแล้วศาสนามคืออะไรเห็นไหม ศาสนาเนี่ยเป็นองค์กรจัดตั้งขึ้นมานะศาสนานั้นๆเน่เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการบอกกล่าวเผยแร่ในสิ่งที่ท่านไปเห็นมาเห็นไหมละ่ะเขาก็เลยตั้งรูปแบบของศาสนาให้ว่าศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยมีเทคนิคอุบายวิธีต่างกันแต่ที่คล้ายๆกันหน่อยหนึ่งไม่ต่างกันมากก็คือพยายามเน้นให้เราทาดี นะคระัครูหลังจากมาจากอเมริกาสองปีแล้วเนี่ยก็พาน้องดอนกับน้องขี ก, กลับไปบ้านเกิดมังนอนเขาไปอยู่อเมริกาเพื่อนต่างศาสนาก็มาคุยกับพระครูส ม, มัยก่อนเขาเห็นพ่อครูไม่ใช่อย่างนี้ไงสู่บุรีวันหนึ่ง3ามสี่สองกินเหล้าทุกยี่ห้อเที่ยวเตะ ต, ตามภาษาคนนุ่มตอนนี้เราเปลี่ยนไปมากเขาก็คุยว่าทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีนั่นแหละ กคููบอกไม่ใช่นะแต่พุทธเราไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีนะพุทธก็ไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วนะพุทธศาสนาสอนให้เราพ้นทุกข์ถ้ายังเป็นคนดีอยู่พอเขาว่าเราไม่ดีเราก็ทุกข์อีกเป็นคืออัตตายังมีกลุ่มเป็นก้อนว่าฉันเป็นคนดีไปสร้างอัตตานะศาสนาพุทธสอนให้เราทําดีทาแค่พอดีแต่อย่าไปติดดีแล้วก็ละชั่วเพื่อไม่ต้องสร้างกรรมใหม่ แค่นี้พอไหมไม่พออย่าลืมหนี้เก่าเอา้าไหนบอกว่าเงินก็สมมุติหนี้สินก็สมมติก็ชั่งหัวมันสิธนาคารมันยอมไหมใช่หนี้เวนีนหนี้กรรมมันยอมไหมนี่แหละต้องขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเราต้องเข้าไปในจิตในจิตไม่ใช่มาเพิ่มสติเพิ่มสมาธิอย่างเดียวเนี่ยโดยองค์ลวงก็ตอบว่าเรานับถือศาสนาพุทธจริงๆแล้ว เพื่อเรียนรู้วิธีพ้นทุกศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยจนไปพูดถึงเรื่องไอ้ธรรมะผู้คองเรือนธรรมะเด็กๆอะไรก็ช่างมันเป็นพื้นฐานทั่วๆไปนะแต่แก่นธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งไปที่ทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกขหนทางไปสู่การพ้นทุกข อริยสัจสีนี่คือความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้เจ้าไปตัดสรู้ส่วนธรรมะย่อยๆนั่นแยกออกไปนั่นก็ใครอยากเรียนรู้ก็เรียนรู้ไปจริงๆแล้วเนี่ยรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแม้กระทั่งเรื่องศีลเนี่ยพ่อครูไม่เคยรู้แล้วเขาไม่เคยปฏิบัติตามเลยเห็นมมันเป็นวิชาการทางพุทธศาสนาเนื่องจากสังคมเนี่ยวิถีชีวิต มันก็เปลี่ยนไปหลายสาขาอาชีพการวุ่นวายมากๆาเนี่ยนะศาสนาก็เลยพัฒนาแตกแขนงคล้ายว่าต้องมีธรรมะใหม่ๆที่มาแก้ปัญหาใหม่ๆนะจริงๆแล้วหลักของมันมีอยู่แค่นี้นะเรามีทุกข์เป็นประธานเกิดมาวันแรกก็แหกปากลองแล้วทุกเพราะเกิดล่ะเห็นหมมันไม่ได้หัวเราะว่าดีใจจังเลยฉันเกิดแล้วมันแหกปากลองเลยตั้งแต่วันแรกก็เกิดเรามีทุกเป็นประธาน ผู้เจ้าพูดแต่เรื่องทุกข์เรื่องสุขพูดอยู่อย่างเดียวก็คือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งที่สุขนี่เพราะว่าเขาดับทุกข์ได้แล้วอาการที่ไม่ทุกข์เลยไม่กังวลเลยไม่ห่วงใยเลยนะ่ะเป็นทุกข์อย่างยิ่งแล้วก็ใครเปลี่ยนเราก็ไม่ได้แต่ทุกวันนี้เราต้องการความรวยความมั่งคั่งพอได้แล้วก็สุขพอเสียไปก็เลยทุกข์ มันสุขๆุขดิบๆบมันไม่ใช่ทุกไม่ไม่ใช่สุขจริงๆมันเป็นแค่ความพึงพอใจนะทุกคนชอบสะดวกสบายเห็นไหมก็ชอบว่ามันคือความสุขมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นแค่ความรู้สึกพอใจความสะดวกสบายความสนุกสนานมันไม่ใช่สุขนะเอาเป็นว่าตอบสั้นๆเรานับถือพุทธศาสนาเพื่อเรียนรู้วิชาทําให้เราพ้นทุก ทีนีวิชาทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ใช่ไปท่องจำไปอ่านไปอวดรู้กันอันนั้นรู้มากก็ยิ่งทุกข์มากอีกไปแบกขยะไว้าศาสนาไม่ใช่เป็นเพียงคำสอนแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เราพ้นทุกข์คำตอบคือสั้นๆนี่คือพุทธทาศาสนาบังเอิญคำว่าพุทธเนี่ยภาษาบาลีก็แปลตรงๆคือรู้ผู้รู้และตั้งเป็นชื่อของาศาสนา ศา ส, สนาแห่งปัญญาสอนให้เราเกิดปัญญาเพราะว่าตอนนี้เราทุกข์เพราะว่าเราไม่มีปัญญาเรามีแค่ความรู้ผิดไปเรียนความรู้ซึ่งมันแฝงด้วยความโลภโกรธหลงเพราะมีความโลภความอยากมันก็ไปสร้างกรรมอยากจนไปโกหกเขาอยากจนไปขโมยของเขาอยากจนไปโกงเขาก็เป็นกรรมเขาก็เกียดเราเห็นไมกรรมมันก็ส่งผลตายแล้วไม่จบนะ ตายแล้วเกิดไปอนาคตชาติก็ไปเอากันใหม่ไปเคียนี่กันพระพุทธเจ้าไปตัดสรู้สิ่งนี้นะนั่นแหละถ้าใครอยากสุขนะก็เอาความทุกออกเอาความทุกออกไออาการที่มันไม่ทุกนั่นแหละคือความสุขอย่างยิ่งไม่ใช่ไปแสแวงหาอยู่ข้างนอกนะนะไปเที่ยว ไปหาความสนุกสนานความเพลิดเพลินมันไม่ได้แปลว่าสุขมันต้องมีอามิตรก่อนค่อยรู้สึกสุขมันไม่ใช่สุขแท้นะคือต้องได้มาก่อนต้องพอใจก่อนถึงจะรู้สึกสุขเพราะครูถูกหลอกไป40ปีนะสะดวกแล้วก็สบายแล้วจึงสุข กว่าจะสะดวกได้เราเรียนเกือบตายอยากเป็นที่หนึ่งไงต้องเรียนมากกว่าคนอื่นออกมาต้องทำงานหนักกว่าคนอื่น้ง ก, การมีเงินจะได้ซื้อความสะดวกจะค่อยรู้สึกสบายนะต้องไปอ้อมแต่26ปีอยู่ที่นี่เนี่ยสบายโดยไม่ต้องสะดวกนั่งอยู่ที่นี่ก็สบายอยู่คนเดียวก็สบาย สบายตลอดโดยไม่ต้องสะดวกสะดวกนี่กว่าจะสะดวกต้องไปหาเงินไปสแสวงหาไปซื้อมาค่อยสะใจค่อยรู้สึกสะดวกแล้วค่อยสบายนะอันนั้นน่ะมันไม่ใช่ความสุขมันมีอามิตรมันต้องมีสิ่งทดแทนความต้องการตัวเองก่อนเห็นไหมพเพราะระบบเพราะนั้นนานๆเนี่ยเราก็ติดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นอย่างนี้นะ ควรจะเป็นอย่างนี้นะอยาไม่ควรจะเป็นอย่างน like, AH. ั้นนะเห็นไหมน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเราเอาอะไรเอากิเลสเราเป็นตัวตั้งถ้าไม่ได้ดั่งใจลราบอกว่าเอะเธอไม่น่าน่าทาองอย่างนี้เลยมันไม่มันไม่ดีนะคนดีต้องเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นแค่องค์ความรู้เราถูกใส่มามันเป็นคำสั่งน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ควรจะอย่างนั้นีมันเป็นคาสั่งมันไม่ใช่ธรรมะ ธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือธรรมะธรรมะจริงๆมันไม่มีอะไรมันเป็นไอ้นิจจังทุกขั้งนะแตาไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีรวยไม่มีจนไม่มีสุขไม่มีทุกข์ที่เราบอกแต่ภาษามันพูดได้แค่นั้นมันมีแต่กุศลกับอกุศลนะสุขทุกข์ดีชั่วนี่เป็นภาษามนุษย์ บางคนได้กินทุเรียนนี่สุกสุกบางคนได้กินเฉยกูทุกข์มากมึงเอาหนีไกลกลมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นอุปทานเห็นไหมแล้วก็ใช้อุปทานเราเป็นเป็นมาตรวัดควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้น่าจะจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ธรรมะอันนี้เกิดจากความรู้ผิดของเรานะ นั่นแหละเรามีแล้วทำยังไงล่ะเบี่ยงทิ้งขัดเกาจิตให้ผ่องใสนะทำแค่สามอย่างเมื่อกี้ถามพุทธกะพุทธนี่ง่ายๆไม่ต้องไปเรียนเจ็ดแดหมวดวิชาให้มันปวดหัวนะเรียนจบแล้วก็ยังทุกข์อีกนะถ้าทำสามอย่างนี้เนี่ยได้นะนะความสุขแท้อยู่ใกล้ๆไม่ใช่อยู่ใกล้ด้วยมันอยู่ข้างในเรียบร้อยลว มันไม่ได้อยู่ไกลตัวนะนี่ผ่านไม่ได้อยู่ใกล้ตัวมันอยู่ข้างในเรียบร้อยละอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังอีกนิดเดียวเหมือนเหรียญเหรียญสองด้านน่ยแค่พลิกเท่านั้นเองนะมันเป็นเส้นผมบางภูเขาอย่าไปหาความสุขข้างนอกมันไม่มีมันไม่มีขายเรากําลังสแสวงหาสิ่งที่มันไม่มีเราจะไปเจอได้ยังไงมันอยู่ข้างในแล้วนะ แค่เราดับทุกได้แล้วอาการที่มันไม่ทุกไม่กังวลไม่มีอะไรเลยตัวเราก็ถูกฆ่าทิ้งแล้วเนี่ยแล้วมันมีใครที่อยากจะสุขละ่ะนั่นแหละคือความสุขอย่างยิ่งเห็นไมมันเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดไม่ใช่ในชีวิตนี้นะในชีวิตในวัฏฏะสงสารเราเสียเวลามาเยอะมากเยอะมาก นะจำได้ไม่หมดหรอกนะเยอะมากตอนนี้ที่บอกว่านับถือศาสนาพุทธถ้าเราเข้าใจพุทธจริงๆเนี่ยพุทธเนี่ยจะสอนให้เราปลดเปื้องความทุกข์ได้จริงๆแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จไม่ต้องเวียน่ายตายเกิดไม่ต้องไปสาสารค ด, ดีความเนี่ยเอามันชาตินี้จบเลย อยู่ที่ว่าจะเอาไหมนะชัดเจนนะนี่แหละไหนๆก็ถูกบังคับให้นับถือาศาสนาแล้วต้องใช้มาประโยชน์นะถ้าไม่มีคำตอบไม่ต้องนับถือเลยไ ม, ไม่ต้องนับถือแต่โคตถ้าคนนับถือแล้วเนี่ยยกตัวอย่างคนรับสินแล้วไม่ทำตามสินเนี่ยผิดสินนะ แต่ถ้าคนไม่มีศีลมันจะผิดศีลได้ยังไงล่ะคนผิดศีลคือคนรู้ศีลรับศีลแล้วไม่ทําตามศีลน่ะคือคนผิดศีลคนไม่รู้ทําเพราะไม่รู้ไม่ผิดแต่คนรู้แล้วยังไปทําอีกเนี่ยนี่แหละคือคนผิดเรารู้แล้วไงเรายัไปทําผิดแต่คนไม่รู้มันทํามันไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกมันก็ทํามันไม่ได้ผิด มันอยู่ที่เจตนาเห็นไหมเนี่ยกรรมชี้เจตนานั่นแหละต่อไปพ่อครูต้องระวังนะพูดไม่ได้เลยนะมีคนกาลังจับผิดอยู่ทําไมพ่อครูพูดอย่างนั้นไม่ใช่เจตนาชี้กรรมเลยเอาใช่ใช่ใช่ใ ช, ช่คุณรู้หรือเปล่าถ้านเขาไม่พูดอะไรเลยคุณรู้เจตนาเขาไหมแล้วต้องเห็นกรรมกระทําที่เขากระรอกเนี่ยเราก็เห็นเจตนาเขาใช่ไหมนั่นแหละเราพยายามจะ หาคำตอบแบบเหตุผลแบบตรรกะแล้วก็ติดบ่วงนะก็เอาเป็นว่าลองมาหมดแล้วไงลองอีกสักตั้งดีไหมและลองแนวนี้ง่ายมากแค่วางไม้ชั่วคราวได้ไหมทําเลยอย่าไปว่าทําไมนะวางก็ทําเลยทำทำทำเดี๋ยวก็มีคําตอบถ้าทําไปด้วยก็ถือไม้ไปด้วยเนี่ยนะพอไปถึงจุดหนึ่ง เอ๊หยุดก่อนไว้เอาไม้ไปถามพรอครูก่อนแล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็อยู่กับไม้ไงนะพระพุทธองค์บอกทำอะไรก็ช่างทางโลกทางธรรมนะต้องเริ่มจากศรัทธาก่อนเราต้องมีความพึงพอใจกับสิ่งที่เราทำก่อนไม่งั้นเราจะลาลาล่าหลังเฮ้ hey, ใช่หรือเปล่าวะกก้ากลัวๆเหมือนชักขยเยเนอะ จิตมันจะไปแต่ใจดึงไว้แล้วเมื่อไหร่มันจะไปแต่อย่าศรัทธาแบบหลงงม ง, งายเขาว่าดีกูก็ดีตามเขาไปเขาพาวิ่งเ น, นก็วิ่งไปเขาพาลงเหวก็ลงเหวกับเขาไม่ใช่อย่างนั้นก่อนจะศรัทธาต้องใช้สติปัญญาเนี่ยนะเท่าที่เรามีอยู่นะนะพิจารณาก่อนเออมันมีอันตรายไหมออมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าเอาเอาศรัทธาแบบทางโลกนี่แหละก่อนเมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยอย่าลังเลทําตั้งใจทํามันก่อน ทำอย่างสุขุมรอบครอบไงได้ไหมโดยที่ว่าไม่ใช่ว่าเออเธอจะเข้ามาศูนย์เดี๋ยวก่อนต้องขอวีซ่าก่อนต้องตีตั๋วเข้าก่อนต้องเสียเงินก่อนเออต้องมารับขันรับตุน้นรับนี่อะไรก่อนอันนั้นต้องคิดดีๆเริ่มมาก็เสียก่อนแล้วนะไดไ้อันนี้เริ่มต้นก็ไม่ได้เสียอะไรเลยก็ทำเลยทาเลยใช่ไหมแล้วจะไปกลัวอะไรนะความกลัวทำให้เราเสื่อมนะ มันทำให้เราเกิดวิตกจริตกล้ากล้ากลัวกลัวมันจะไม่มีพลังนะก็โอเคนะวันนี้ก็พอสมควรแล้วละ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภะษีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิน